สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่29ข้อที่17จนถึงข้อที่21ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักเออเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้าที่ใดที่ใดที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขสักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ฟังเจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือยังมีหวังในคนโง่ามากกว่าเขาบุคคลที่ทนุถนอมคนใช้ของตนตั้งแต่เด็กๆที่สุด จะเห็นว่าเขาเป็นผู้รับมรดกของตนพี่น้องครับพระคัมภีในเช้าวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนหรือคาสั่งสอนครับในข้อที่17นั้นเป็นการหนุนใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะสั่งสอนลูกของเขาการสั่งสอนนั้นในพระคัมภีใช้คำว่าตีสอนครับพี่น้องครับชีวิตของเรานี่เวลาที่เราจะเติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แน่นอนครับย่อมมีคนสอนโดยเพราะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณครูของเรานั่นก็สอนผมจําได้ว่าตอนที่คุณพ่อจะสอนนะครับโดยพราะอย่างยิ่งสอนในเรื่องหนักๆเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าผมถูกตีนะครับท่านก็จะบอกว่าที่พ่อนั้นเจ็บปวดมากกว่านะครับที่ผมจะเจ็บปวดนั้นหมายความว่าคือการที่คุณพ่อนั้นได้ให้ การคอร์เรคชันหมายถึงว่าการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผมนั้นความจริงแล้วคุณพ่อก็เจ็บปวดและเสียใจนะครับคุณพ่อยอมถูกตีมากกว่าหมายความว่าคือตอนนั้นผมไม่เข้าใจครับว่าหมายถึงอะไรตอนนี้เข้าใจแล้วก็เชื่อแล้วพี่น้องครับพ่อแม่บางคนล้มเหลวที่จะตีสอนลูกนะครับเพราะว่ากลัวลูกเจ็บ แต่ในที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่เจ็บกว่าครับเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกได้เมื่อลูกเติบโ ต, ตขึ้นเขาเป็นคนที่ใช้การไม่ได้หน้าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับการตีสอนลูกนั้นนายพรมพีบอกว่าจะทําให้บิดามารดาได้หยุดพักได้หยุดพักก็คือได้มีความชื่นชมยินดีนะครับได้พักผ่อนใจเมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่แก่ลง พบุตรชายของเขาหรือลูกๆของเขานั้นจะมีความประพฤติดีแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาพี่น้องครับในโพชนะพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าคำกริยาว่าฝึกสอนเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับคำนามว่าการตีสอนครับหมายถึงการฝึกสอนตีสอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝึกวินนยทางด้านศิลธรรมหรือจริยธรรม การตักเตือนหรือฝึกสอนทางด้านจริยธรรมศิลธรรมคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับชีวิตของเด็กๆทุกๆคนเพราะฉะนั้นการที่พาเด็กนักเรียนพาเด็กๆลูกหลานนั้นมาเรียนระวีเวลัาศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งกิจจากเองต้องจัดการเรียนการสอนระวีเวลาศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพด้วย ในข้อ18ครับที่ใดที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัตินั้นจะเป็นสุขนี่ก็สืบเนื่องจากข้อที่แล้วครับว่าถ้าที่ใดๆไม่มีการเผยธรรมนั่นหมายความว่าชุมชนใดๆดขึ้นจากใดๆนี้ที่ไม่มีการสอนพระวจนะไม่มีการเปิดเผยสำแดงพระวจนะของพระเจ้าไม่มีคำสอนพระคำพีไม่มีการเทศนานะครับประชาชนก็คือสมาชิก ก็จะละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียมองในมุมสูงอีกมุมหนึ่งก็คือกว้างขึ้นถึงขนาดประชาประชาชนครับนะประเทศชาติใดก็ตามที่ไม่มีการเผยเพระชนะไม่มีการคำสั่งสอนของศาสนาที่ถูกต้องที่ดีงามนะครับประชาชนก็จะอยู่ในความผิดความบาปนะละทิ้งความยับยั้งชั่งใจในการประกอบ การทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมคอร์รัปชันแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้ในข้อ19ครับกล่าวว่าศักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ฟังข้อนี้จะต่อกับข้อ21นะครับบุคคลที่ทรุดถนอมคนใช้ของตนตั้งแต่ดเด็ก ที่สุดจะเห็นว่าเขาเป็นผู้รับมรดกในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2011นะครับก็ได้กล่าวอีกแบบหนึ่งนะครับในข้อที่11เช่นเดียวกันนะครับ2011กล่าวว่าคนที่ตามใจคนรับใช้ของตนตั้งแต่เด็กๆในที่สุดจะพบว่าเขานําความยุ่งยากมาให้2011นี้พูดชัดเจนครับใครก็ตามที่ตามใจคนรับใช้นะครับตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ ในที่สุดเมืเ่อเขาเติบโตขึ้นเราจะพบว่าเขานําความยุ่งยากมาให้พี่น้องครับการฝึกวินัยนะครับจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราในขณะเดียวกันครับอยู่กับใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาของเราด้วยการฝึกวินัยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสอนคนใช้เช่นเดียวกันกับการสอนลูกชายลูกหลานของเราพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวคําพูดนั้นไม่เพียงพอนะครับ คนใช้อา จ, จเข้าใจคำพูดแต่ดื้อดึงปฏิเสธไม่ทำตามที่เขาถูกสั่งให้ทำเราจะต้องใช้การตักเตือนสอนวินยัยลงวินยัยในรูปแบบอื่นๆการเอาอกเอาใจคนใช้คนงานคนรับใช้นะครับที่ไม่มีวินยัยก็จะทำให้พวกคนรับใช้หรือพวกทาสหรือพวกผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพนะครับ ในที่สุดแล้วก็จะนําความยุ่งยากงานต่างๆก็จะมีปัญหาการตอบสนองที่ชั้นฉลาดถูกต้องและมีวินัยกับคนงานคนรับใช้คนใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมเขาจะสามารถฉลาดและเขาสามารถที่จะแทนที่บุตรชายหรือลูกหลานที่น่าขายหน้าได้อันนี้พบในสุภาษิตบทที่17ข้อที่สองนะครับพี่น้องครับ ทาสหรือคนรับใช้คนงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดูถูกรับเบียบทางศีลธรรมนะครับไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแล้วลราก็ทาสคนนั้นใช้ไม่ได้ครับสุดท้ายครับในข้อที่20พระกมีกล่าวว่าเจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือยังมีความหวังในคนโง่ามากกว่าเขาพระัมพีกำลังบอกว่าคนที่ปากไวนั้นเป็นคนโง่ครับ ถามว่าทําไมคนที่ปากไวเป็นคนโง่เพราะว่าเขาโปร่งถ้อยคําที่ไร้ความคิดและเอาแต่ความรู้สึกออกมาหลายครั้งทีเดียวนะครับก่อนที่เขาจะได้ยินก่อนที่เขาจะเข้าใจนะครับเขาตอบสนองด้วยคําพูดแสดงถึงความโง่ของเขาพี่น้องครับคนที่ปากไวแท้จริงนั้นแย่ยิ่งกว่าคนโง่ครับการพูดเร็วโดยไม่คิด นะครับและการอวดดีความอวดดีนั้นเป็น2ประการนะครับที่แย่กว่าคนโง่ครับคนเหล่านี้นําความยุ่งยากมาให้นําความยุ่งยากมาสู่ตนเองนําความยุ่งยากมาสู่ผู้อื่นนําความยุ่งยากมาสู่องค์การพี่น้องครับคนที่ปากไวนะครับและคนที่อวดดีนะครับเป็น2 อ, อย่างที่ แย่กว่าการเป็นคนโง่ครับมีคนกล่าวดังนี้นะครับว่าจงมองก่อนที่คุณกระโดดก็คือจงคิดก่อนที่คุณพูดจงให้ปากอยู่ที่ใจอย่าให้ใจอยู่ที่ปากจงให้ปากอยู่ที่ใจอย่าให้ใจอยู่ที่ปากหมายความว่าให้คิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดหรือพูดโดยไม่คิด ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะใช้คาพูดในการสั่งสอนอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ใช้คาพูดเท่านั้นเราต้องใช้ชีวิตนะครับใช้วิยัยใช้วิอิสิการต่างๆในการที่จะบ่มเพาะฟูมฟักลูกหลานทาสคนรับใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนประชดชนหรือสมาชิกในกิจจักที่เราจะไม่พูดไหวหรือไม่เป็นคนปักไว โปรดจะไม่ว่าคนปากวัยและคนอวดดีนะครับสองสิ่งนี้มีความหวังน้อยกว่าการเป็นคนโง่ครับอาเมน